นั้นการที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะมันเป็นเหตุใกล้ที่จะเอาไปกำหนดเอาไปพินิจพิจารณาถึงชาติชรามรณะในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นของที่หยาบที่สุดในโลกแล้วในบรรดาสังขารธรรมทั้งปวงถ้าพิจารณาอย่างนี้ยากไอ้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันแทบไม่ใช่ฐานะเลยอ่ะอนะถ้าถ้าถ้าปรารถนาความบรรตรรุธรรมเนี่ยนะ อย่างที่ว่ามนาุษการถึงมหาพูดก็ตามภาษายตนะหก็ตามอุปาทานขันห้าก็ตามหรือที่เรียกว่าพูดแบบโวหารว่าคิดถึงใครก็ตามไม่คิดถึงชาติชรามรณะเลยก็บอกว่าคนนั้นนี่ห่างอริยสัจมากเนี่ยเห่างจริงๆก็ถ้าเราไม่มนุษการเราก็ห่างมากเนี่ยน ถ้าหากว่าห่างห่างการพิจารณาทุกขาริยศาส์เนี่ยนะเสียหายตรงไหนความเสียหายก็คือเราจะไม่เห็นโทษของสมุไทยโดยประการทั้งปวงใช่ไหมเราจะไม่เห็นโทษของสมุไทยเลยเพราะเราก็มุ่งแต่เรียกว่าอะไรนะคนที่ไปกู้ ที่ที่ไปดาวของมาใช้เต็มไปหมดนะมองเห็นอะไรดีไปหมดเลยที่ที่ที่ไปกู้เนี่ยนะทั้งๆที่หาส่งดอกก็ไม่ค่อยจะทันเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าไอสิ่งที่ได้มานี่ดีใจหมดเลยก็แสดงว่าก็ยินดีในการกู้เพราะถ้ายินดีในการกู้ก็นี่สินเนี่ยไม่มีมีจบมีสิ้นหรอกนะคนประเภทนี้เป็นนี่จนนะเป็นนี่อมะตนะนี่ตลอดไปเห็นไหมฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่ พยายามที่จะมนุิการโดยชาติชราและมรณะจนเป็นอาจินกรรมจริงๆเนี่ยนะจนเป็นนิสัยเลยเนี่ยถ้าไม่มนุิการอย่างนั้นเนี่ยไอ้สมุทัยสัตว์เนี่ยก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นทุกข์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยนะนิโรธสัตว์จะไม่ใช่ฐานะวันนี้โยมคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยนะใครจะเจริญสมถนะมันต้องเห็นโทษในกามคำนั้นนะใครจะเจริญวิปัสสนามันต้องเห็นโทษในวะตะัตฏะคำนั้น นะคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นใครที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องเห็นโทษในวัตะจริงๆคือต้องเห็นโทษในทุกขัสัตถ์สมุทัยสัตถ์แต่ถ้าวันหนึ่งไม่คิดถึงคําว่าแม้กระทั่งคาว่าทุกขัสัต์เลยเนี่ยนะโอ้ยบรรลุทุบรรลุอริยสัตถ์เนี่ยนะนี่นะก็ยากเต็มทีแบบนั้นเถอะมันก็พยายามที่จะแผ่เนี่ยนะนะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณสุจินยก สูตรหนึ่งมาพูดก็ดีที่ว่าเจริญสติปัญฐานโดยฐานะสามเจริญสติปัญฐาสีในฐานะสามคือพิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเพราะการน้อมไปมนานสิการภายในเอาไว้ให้ดีก็ได้น้อมไปมนาสิการภายนอกไว้ให้ดีทั้งภายในทั้งภายนอกว่ า, านะก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปคิดเรื่องฐานะสูตรก็แล้วกันนะฐานะสูตรว่าไงนะ เราท <mortality. S 2> ั <inaudible> ้งหลายเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่ใช่เราเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาแม้บุคคลอื่นก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้นะก็คือสรุปว่าพวกที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติเนี่ยนะที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีความแก่เป็นธรรมดาทั้งนั้นแหละก็เอามาคิดอย่างเงี้ยวไว้ก็ได้นะ หรือมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้และอันนี้ต้องเอามาคิดให้มากๆนะมาใคร่ครวนมาที่ท่านใช้คำว่าเอามารอบรู้เอามาทำปริญญาคำว่าปริญญาเนี่ยก็คือมาใส่ใจโดยความว่าเป็นชาติชรามรณะนี่ให้บ่อยๆมากๆ แม้กระทั่งโดยที่สุดนะเรานึกถึงญาติเราที่ตายไปแล้วเราก็ไม่นึกถึงชาติชรา ม, มรณะสักเท่าไหร่เลยนะเชื่อหมคิดไหมอย่างเงี้ยนึกถึงคนที่เราเคยรู้จักใช่ไหมเสร็จแล้วเขาตายไปแล้วเราใสา่ใจว่านั่นคือชาติชรา ม, มรณะไหมใส่ใจอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะมีเลยนะสมมติเอานึกถึงปู่นะที่ตายไปแล้วเออนั่นเน่ะชาติทุกชาติทุกพญาที่ทุกมรณะทุกน้อนนนะ ทุกทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะนะไม่ค่อยได้คิดอย่างนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมนะปู่นะสมัยนั้นเออ่เคยให้ขนมเราอะไรก็คิดเป็นเรื่องราวไปเลยคือเรื่องราวทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับหลักการของอริยสัจนั่นเองทำให้เห็นว่าห่างห่างการพิจารณาอริยสัจนี่มากจริงๆอย่างอย่างแม้กระทั่งเราไปงานศพเนี่ยนะกออ็ตายก็ธรรมดาใช่ ฟังพระสวดอภิธรรมไปอะไรไปถ้าญาติสนิทมิตรรักกันก็ร้องให้ซะหน่อยน่ยนะก็โศโทโมันัดก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่พิจารณาว่าเนาะสัตว์คนที่ตายเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มางานศพนั่นแหละเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคนที่นอนอยู่ในโลงเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มางานศพนั่นแหละเพราะคนที่มางานศพอีกไม่นานก็จะนอนอยู่ในโลงนั่นนะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเป็นอย่างนี้แหละแม้เราก็เป็นเช่นนั้นเราไม่ล่วงความเป็น เช่นนั้นไปได้สังข anto, ารทั้งหลายสาตร์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็ไม่พ้นจากความตายเหล่านี้ไปได้เนี่ยนะนี่นะความเกิดความตายเหล่านี้ที่เป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะความเพลิดเพลินในสิ่งที่มีความเกิดความตายนี่ยแหละความตายความเกิดและความตายเหล่านี้จึงไม่มีที่จบที่สิน้นเนี่ยนะชาติและมรณะไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเพลิเพลินในในวัตถุที่มีความตายเป็นธรรมดาเราก็เอามาพิจารณาแต่ว่าสิ่งที่ ที่เกิดแก่ตายเป็นธรรมดานะเรามีความเศร้าโศกกับสิ่งเหล่านี้มามามากปานใดใช่ไหมบางคนเนี่ยนะเกิดมาเั็นคนน้ําตาซึมอยู่ตลอดเวลาเลยนะน้ําตาไม่ค่อยจะแห้งหรอกจานวนโยมคนหนึ่งเขาบอกเป็นคนขี้งแงวั ง, ง น, นั้นนะ่งขี้งแงก็คืออยได้อะไรมานิด ห, หน่อยก็เสียใจยละเรื่องมันเป็นเรื่องเราไปเก็บมาทุกหมดนะนะ่ะ เก็บมาป่วยซะทุกเรื่องเลยพวกนี้เขาเรียกว่าโศกเนืองเนืองโทมนัต เ, น, น, เนืองเืองเป็นคนเจ้าโทมนัตเจ้าอะนะเป็นคนเจ้าโศกนะเป็นดอกโศกเคลื่อนที่เลยแหละไปที่ไหนก็ไปโศกะนะมีเรื่องเสียหายเออมีเรื่องอะไรนะชวนคนนี้ไปร้องไห้ได้เลยนะตายแต่ร้องไห้ตลอดนะนะว่าคนอื่นในของมาเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นอยู่หลายปีเหมือนกันนะสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้ยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะ่ะก็เนี่ยได้แต่น้ําตาซึมร้องไห้ วันนี้ฟังเจ้าหลานคนหนึ่งหลานก็คือลูกน้องสาวพระเนี่ยนะเขาบอกว่ามันทำการบ้านไม่เสร็จนะมันก็ร้องไห้เหมั้นมันทำการบ้านไปเหลือสักสามสี่บรรทัดเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีมันก็เลยร้องไห้เลยเขาบอกทาไมจริงร้องไห้ก็บอกร้องไห้เพราะพ่อไม่มาช่วยทำการบ้านอนุบาลสองเห็นไหมอย่านี้นนนร้องไห้ใหญ่เลยก็บอก พ่อก็เลยบอกว่าอ้าวเขบอกพ่อดีๆสิทําไมจะต้องร้องไห้ได้นิสัยเหมือนผู้หญิงเลยก็วังกันมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็ร้องไห้ไปหมดเลยก็บางคนก็เป็นคนที่เจ้าโทรมนัดจริงๆเนี่ยนะโง่กะเนืองๆเรียกว่าอาหารสุกไม่ทันใจก็โทรมนัดแล้วเคยเห็นไหมเด็กคนบางคนเนี่ยนะไปไปที่ร้านร้านขายของเลยนะขายของเล่นขายอะไรนะวิธีถ้าเขาจะเอาของเล่นเขาทายัางไง ก็บอกกอล้มนอนกลิ้งอยู่ตรงนั้นแหละลองไม่ซื้อให้สิใครเป็นแม่เอานอนกลิ้งอยู่ตรงตรงของเล่นตรงนั้นแหละแต่คุณทัพพาคงไม่เคยเจอมั้งยังนะแรงลูกดีมากบางคนเนี่ยโห้ยนอนกลิ้งจริงๆเลยนะกลิ้งแล้วก็ร้องโวยวายนะได้คล้องอันนั้นเนี้ยจะนิดเลยนะแม่ทีหน้าชาไปหมดเลยนะอายเขาร้องดังลั่นไปหมดเลย ก็ก็อันนี้เคยเห็นมากระตาจริงๆเลย เ, ออเด็กบางคนเนี่ยมันเป็นเอามากขนาดนั้นเลยนะบางคนนี่ก็อดข้าวประท้วงเลยใช่ไหมไม่ยอมอะไรสักอย่างจะเอาวัตถุนั้นๆให้ได้นั้นโสกะทั้งหลายสรุปว่ามาจากไหนมาจากขันอายตนะธาตุมาจากมหาพูดมาจากอายตนะนั่นแหละนั้นใครค่ควรเถอะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศก แล้วต่อไปอีกว่าในหน้า38มสิะเราเรียนถึงหน้า38ย่อหน้าล่างๆ ล, ล, ล่างสุดว่าเพิ่งทราบว่าอัถฐแห่งความโศกเป็นทุกเนี่ยความโศกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกเพราะความโศกนั้นเป็นสภาวะทุกข ต, ต, ตัวตัวความโศกเองนี่ก็ทุกแหละนะ ใครก็ตามถ้าตอนที่โศกข re re re ึ้นมาก็เป็นทุกข์แล้วนะพวกอารเล่าเห็นหลานโศกแล้วเป็นยังไงนะเสียใจอย่างไงนนะเพราบางคนเนี่ยอาจจะกรุณาใช่ไหมเห็นเด็กมันร้องไห้อ่ะนะเห็นเด็กร้องไห้ก็ทุกข์โทรมนัดมากเลยแหละคือตัวโศกะเองก็เป็นสภาวะที่เป็นเป็นทุกข์โดยตัวธรรมชาติของเขาแล้ว เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์สมมติว่าอีกคนหนึ่งทุกข์นะเนีแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อีกอีกเยอะมากเลยถ้าอย่างบางคนทุกข์สักคนเดียวเนี่ยนะคนอื่นทุกข์ด้วยหมดเลยนะมันอ่าเป็นเป็นเหตุใกล้ให้ให้ทุกข์แก่คนอื่นหรือก็เป็นเหตุใกล้แห่งทุกข์ของตนที่บอกว่าโสกเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์อย่างไรก็บอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกไหนทุกกายและทุกใจในขณะแห่งชาวนะเนี่ยนะ จึิงอยู่ด้วยกำลังแรงของความโศกฝีใหญ่ย่อมตั้งขึ้นที่หัวใจสกงอมแล้วก็ย่อมแตกออกและเลือดดำเนี่ยย่อมไหลออกทางปากแผลทุกทางกายรุนแรงย่อมเกิดขึ้นอันนี้ท่านบอกว่าใครที่โศกโศกบ่อยๆเนี่ยนะโศกกะบ่อยๆเนี่ยโศกบ่อยๆเนี่ยจะเป็นฝีที่หัวใจเนี่ยนะ ก็คือเป็นโรคหัวใจนั่นเองน่ะนะทำไมหมายก็เรียกโรคหัวใจเขบอกว่าฟีเนี่ยตั้งขึ้นที่หัวใจเลยแบบนั้นเมืม่อครุ่นคิดอยู่ว่าญาติของเราเท่านี้สิ้นไปแล้วนะเสียใจมากเลยใช่ไหมญาติเราเนี่ยตายไปแล้วโภค่าของเราเท่านี้สิ้นไปแล้วดังนี้ก็โทรมนัดก็เกิดขึ้นก็คือคนเคยมีทั้งหลายเลยเนี่ย น, นะเคยมีญาติเคยมีเพื่อนเคยมีพี่น้องก็โโศกเมื่อไม่นานเนี่ยเขาเขามีอะไรนะ เห็นภาพในายร้อยคนหนึ่งนายร้อยตกยากเข้ามงินไปอดอยากอยู่ที่จังหวัดนบวกโอ้ยคิดถึงลูกคิดถึงเมียสารพัดเนี่ยนะตกยากตกเรียกว่าทุกข์ยากมากอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชาราเนี่ยนะก็เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตกันไปหมดใช่ไหมตัวเองนอนเนี่ยก็ทุกข์โทมนัสเนี่ยนะก็น่าเกลียมหมดเลยวันนี้ก็โศกกะใช่ไหมที่คนที่ ยิ่งคนที่เคยมีเคยเพียบพร้อมเคยบริบูรณ์ด้วยแล้วเนี่ยนะ네พวกงี้โศกะปล่อยมากเนี่ยนะทุกโทมนัดมากเ <c oughs> พิ่งทราบว่าโศกนี้เป็นทุกเพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกทั้งสองด้วยประการช น, นีดเป็นที่ตั้งแห่งทุกกายและก็เสียใจใช่ไหมโศกะนี่ก็เสียใจในคาถาว่าโศกย่อมเสียดแทงหัตไทยของเหล่าสัตว์ดุดลูกศอนและย่อมแผดเผาอย่างแรงกล้าอีก เหมือนเหลาเหล็กเผาไฟสังหารอยู่เพราะโศกนั้นย่อมนำมาพร้อมแม้ซึ่งทุก์ชนิดต่างๆอันต่างโดยพยาธิคือโรคภัยนี่นะชราและมรณะฉะนั้นความโศกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์นนะความโศกนี่ท่านนับว่าเป็นลูกสอนอย่างหนึ่งในบรรดาลูกสอนทั้งหลายที่มันเสียดแทงในในใจนมันอะไรอ บางคนนี่เหมือนกับว่ามันจุกอยู่ที่คออยู่นั่นน่ะนะมันเหมือนจุกคอบางคนรู้สึกว่าจุกที่คอบางคนนี่มันอัดอั้นตันใจอยู่นั่นแหละมันถ้าเป็นไม่เรื่องไม่ค่อยใหญ่โตก็เครียดเลยนะได้แต่เครียดบางคนก็แสดงความหงุดหงิดเป็นต้นนี่ออกมาพวกนั้นแหละลักษณะของโศกมันเหมือนกับถูกแทงอยู่ที่หนึ่งเขาบอกว่าสัตว์ที่ถูกลูกศอนแทงเนี่ยก็ดิ้นรนใช่ไหมพวกที่ถูกความโศกครอบงำก็เหมือนกันเนี่ยนะถูกโทสะกลุ่มรุมในภายในเนี่ย พวกนี้ดิ้นรนนีนั่งไม่เป็นสุขเคยเห็นคนโศกนั่งสบายสงบนิ่งเลยไหมไม่ใช่เขาบอกว่าคนที่โศกเป็นต้นพูดมากเนี่ยนะร่างกายนี่กระสับกระส่ายนอนพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นแหละที่บอกว่าเหมือนเหล็กเผาไฟสังหารอยู่นะก็เหมือนกับเอาเหล็กร้อนๆไปทิ่มไปแทงเลยแหละความโศกตัวนี้เป็นปัจจัยที่ใกล้ามากต่อโรคสารพัดโรคที่จะเกิดขึ้นใช่ไหม คนที่เสียใจบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะถามว่าป่วยเร็วไหมก็ป่วยเร็วแก่เร็วไหมนะเป็นคนเป็นคนเจ้าโศกเลยเนี่ยนะก็พวกนที่จะแก่ก่อนแก่ก็ไวเหมืงนกนในที่สุดก็ตายก่อนวัยอันสมควรอีกแต่ก็อย่าลืมว่าความโศกเหล่านี้ก็เกิดจากอะไรคิดถึงนั่นแหละเราเคยมีทรัพย์เช่นนั้นเช่นนั้นทรัพย์นั้นๆของเราสิ้นไปแล้วเคยมีญาติญาติเหล่านั้นของเราก็ เส้นไปแล้วเนี่ยนะก็ในสมัยใหมย่ยนเขามีตัวหนึ่งคือจดหมายทุกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะขจะเขียนปรับทุกว่าเนี่ยนะชีวิตเขาเนี่ยตั้งแต่คนที่เขารักตายจากไปเนี่ยเขาไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่ในโลกนี้เลยก่าันก็เลยเขียนจดหมายมาปรึกษาว่าช่วยช่วยบอกเขาทีว่าเขาจะทำยังไงว่ากัน อันน้นี่ทำไงคือดิถ้าถ้าถ้ถา ม, มาถามเราเราเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงก็บอกคุณคิดถึงอรยิยสัจสิอย่างนี้เลยงั้นเอานนขาบอกว่าเขาสิ้นหวังมากเลยเขาบอกอายุยี่สิบเสร็จเ็จนี่ยนะนนผู้หญิงอน่นะผู้ชายตายไปแล้วผู้หญิงก็มาโศกก็เขียนระบายทำไงอัมันก็ไม่เหมือนคนเก่าอีกนั่นแหละจ อันนั้นงเกศหาทางออกไหมแม่ๆๆผู้หญิงผู้หญิ ง, งนญญันก็บางคนเขามีความโศกอันนี้นะเขาบอกว่าเขามาให้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาอนน้เขาบอกเขาเนี่ยทำงานได้เดือนหนึ่งเนี่ย พ่อแม่เขานะนักเล่นการพนันมากเล่นเอาเล่นแล้วก็มีหนี้สินท่วมหมดเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะเขียนจดหมายมาขอสตังค์ทุกเดือนก็บางันเดือนละมากมากด้วยซึ่งอาจจะมากกว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยเพราะพ่อแม่เล่นหวยก็เก่งการพนันก็มากเมาทั้งปีนะเขาบอกทุกมากเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยใครหาทางออกให้ทีก็ว่างันนะโอ้ใครจะคอยถอนลูกศรให้คนอื่นอันนี้นแก้ยังไงกับทีเราเป็นกรรม มใช่อันเนี้ย โ, โหลูกความทุกข์ของลูกนะเออทำยังไงนะของมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะนึกจนจนถึงวันนี้ก็ยังนึกไม่ค่อยจะออกเลยว่าแก่ยังไงเนี่ยคือคือลูกสมมุติว่าลูกอยู่กรุงเทพใช่ไหมพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่ก็สร้างหนี้สินท่วมไปหมดเลยนะติดการพนันด้วยอะไรด้วยลูกก็มาทํางานเนี่ยทำงานก็แทบกับไม่พอคือส่งให้พ่อก็เดือนเยอะแล้วอ่ะมันไม่พอใช้อ่ะตัวเองก็ไม่พอใช้พ่อแม่ก็ ทั้งเขียนจดหมายทั้งโทรมาขออยู่นั่นน่ะนะโอ้ยลูกความทุกข์ของลูกกำลังอันนี้อันนี้นี่ทุกอันนี้ก็บอกอใครหาทางออกเจอบ้างอันนี้นะะของเราทั้งหลายใครนนักปลอบใจเก่งๆเลยนะทําไงดีคุณอรีทาไงคุณแนะนําแต่ไปหามหมออย่างเดียวอ่ะคุณนรีว่าไงดีไหนนะอ๋อตอบไม่ได้นะ คือคือของเรายังไม่ได้เจอภาระแบบนั้นใช่ไหยอาจารย์ละมุนสงเคราะห์หน่อยเถอะถ้าเป็นลูกศิษย์มันเนี่ยขอคําปรึกษาอย่างนั้นอาจารย์จะแนะ น, น, นํำยังไงก็หมม่ันเนี่ยแหละมันก็โทรมาถามอยู่แล้วนะ่ะโทรมาขอเนี่ยตอบพ่อแม่ว่ายังไงพ่อแม่นะยังไงก็พ่อแม่วันยังค่ํำใช่ไหยไปดุไปด่าได้อะไรปะบาปอีกไปทําไงกันนี่ยพวกการนะสงเคราะห์หน่อยะ ไม่ใช่ของมาเวลามีใครมาถามอย่างงี้จะได้ตอบเขาได้คุณภาว่าไงนี่ยเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่แล้วเปลี่ยนนะคือก็คืออะไรนะที่ทำงานตรงนี้มันก็นับว่าฐานะคือรายได้มันก็ค่อนข้างดี แต่ถ้าเทียบกับพ่อแม่มันไม่พอจะใช้อ่ะนะไม่พอใช้ค่าพนันค่านี่พ่อแม่เลยอ่ะยมพ่อยมพ่อแต่ไหนแ่ะวยมพ่อแก้ยังไงดีเพราะแปลว่าอย่าให้มันก็งั้นอย่าให้พ่อเหรอนี่พ่อนะไม่ใช่ลูกทางออกของพ่อนะ ดีเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้บ้างจะบอก็สันนกทุกข์มากกว่าเราต้องหลายเท่าคือปัญหาเหล่านี้นะถ้าใครไม่ไม่นเองนะนี่นี่แค่เราฟังนะหัวใจคนดีทั้งหลายก็นึกค่อนข้างลำบากใจนะถ้าเราต้องประสบกับสภาพอันนั้นด้วยนี่มันมันจะเก็บกดมันจะเครียดขนาดไหนนะแล้วคนที่ปรึกษานี่ผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายก็ยังช่วนะใช่ไหม ไปหาเพื่อนหาอะไรก็ไปเรื่องตามเรื่องตามราวก็ลืมๆไปนะในผู้หญิงนี่ก็ท่อนข้า ง, าง น, นะครับคุณมุนชูตกลงได้สุดคิดออกหรือยงังออ ป, ประทายบิดกทั้งชุดเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะห <c oughs> <c oughs> อมมาบอกก็เรียกคุณไปเรียนอริยศาสตรเถอดจะได้พ้นจากทุกเหล่านี้สักทีหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยโทษของการเกิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนนหรือโศกแบบนางปตาจาราก็ได้ใช่ไถ้าใครของเราในห้องเราใครเคยทุกข์เท่านางปตาจาราสักคนหนึ่ง เขาบอกว่าลูกเนี่ยตายพร้อมอสามีตายก่อนสามีเนี่ยตายตอนหน้าต่อตาเลยอะซึ่งตัวเองเนี่ก็กำลังคลอดใหม่ๆเนี่ยนะสามีตายอุ้มลูกจูงหลานมาสหน่อยหนึ่งลูกก็ตายไปตอนหน้าต่อ ต, อตาอีกสองเดินรอนแรมไปเกือบถึงเมืองสาวัตถีละพอเห็นฟองไฟว่อนนั่นเขาบอกว่านั่นแหละพ่อแม่พี่ชายเผาอยู่เชิงตะกอนนั่นแหละเขาบอกว่าปตาจาราเนี่ยนะผ้าตกร่วงเลยบ้านเลย คือคือมันเสียใจมันก็ที่หนึ่งผัวตายนี่ก็เสียใจหนักอยู่แล้วใช่ไหมข้อสองลูกมันหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วลูกก็พึ่งคลอดด้วยเนี่ยนะก็รักลูกมากเลยนะแล้วก็ลูกคนโตด้วยนะพอมาอีกก็มาหวังพึ่งพ่อพ่อแม่เนี่ยเป็นชีวิตที่หมายสุดท้ายแล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็เนี่ยกําลังถูกเผาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายเนี่ยอ๋อเป็นบ้าเลยรับไม่ได้ทําใจไม่ได้เนี่ยนะทุกข์มากเลย <c oughs> ก็ดีว่านางเนี่ยเป็นปัจชิมพระวิกษัย์เป็นผู้ที่เกิดมาในชาติสุดท้ายนะนี่นขนาดสุดท้ายแล้วก็เป็นเอตตทะคะด้านวินัยทอนเนี่ยนะยังทุกขนาดนี้แล้วตอนหลังน้นนางก็เป็นคนที่สอนคนอื่นดีมากเลยเนะสอนคนอื่นมรลุเยอะมากเพราะว่าลูกศิษย์เยอะมากเลยนางปตาจาราเนี่ยนะก็พันทักใครปรับความทุกข์นะไม่มีใครทุกเท่าท่านสักคนเลยนะ ก็คือเป็นผู้ผู้ทรงพระวินยัยถ้าแบบชาวโลกเราก็คือเป็นนักกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่เนะแต่พราพูดแบบภาษาชาวโลกแต่ในที่นี้ก็คือท่านเป็นผู้แตกฉันในพระวินัยมากโดยเฉพาะเถรีคถาโดยเฉพาะใช่คือเป็นเลิศในทางพระวินัยของพระผู้หญิงถ้าเป็นพระผู้ชายก็พระอุบาลีเนี่ยพระเทระเป็นผู้เลิศทางพระวินัยทอน แต่ในบรรดาคนที่ทุกทุกทั้งหลายเนี่ยนะของมาว่านางปตาจารานี่ก็ทุกหนักแต่ก็ไม่หนัก เ, เท่าเนี่ยผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าเนี่ยคือคนที่ตายตายไปแล้วก็ทําใจอย่างเดียวใช่ไหมเพราะทําใจอย่างเดียวก็คนตายแล้วก็คงพอจะจบได้แต่ว่ากรณีพ่อแม่มาขออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะมันตานหานี่มันต้องแก้ไขมันทําใจอย่างเดียวได้ที่ไหนใช่ไหมมันทําใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะวนี่ยากมาก ไม่ออกแก้ยังไงนอกจากเห็นภัยของวัตถามากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามีนะมีไม่ใช่น้อยเลยลักษณะนี้บางคนก็ส่วนหนึ่งนะที่ที่มีปัญหาลักษณะนี้ก็หันเข้าไปหาพวกยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะคือที่มาของการแก้ปัญหาของคนยุคนี้นะก็ไปเสพยาเสพติดแทนที่จะแก้ปัญหาก็สร้างปัญหาไม่มีจบมีสิน้นทั้งคันห้านี่มันเป็นทุกข์จริงๆ ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในแวดวงของผู้มีศีลมีธรรมนะมันก็ไม่ค่อยดูแล้วมันค่อยมีปัญหาหรอกดูเหมือนกับว่าโลกนี่มันสงบร่มเย็นพอไปอยู่บางสังคมนะทำไมมันเร่าร้อนขนาดนั้นก็ไม่รู้เพราะทุกคนมีแต่ปัญหาหมดเลยทีนี้ปัญหาหลายๆปัญหามาสมเข้าหากันเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นครว่าเด็กมีปัญหาต่อพวกเด็กมีปัญหามาเจอหน้ากันมาปรับทุกกันเนี่ยนะ ปัญหามันก็แทนที่จะมีแค่สองไม่มันเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบหกเป็นสามิบสองเป็นหกสิบสี่นะคือปัญหามันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปร่วมกันสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นเนี่ยนะก็เดือดร้อนกันในะก็เพราะมีขันธ์ห้านะั่นแหละเนี่ยนะนะนะทีี้มาดูปริเทวะทุกบังที่เชื่อว่าอาเทวะคือความร้องไห้เพราะอธิษาว่าเป็นเหตุให้สัตว์เปล่งเสียงร้องไห้โดยอ้างว่า ลูกสาวของฉันลูกชายของฉันเนี่ยนะก็ใครที่มีลูกตายเนี่ยนะถ้าลูกตายในวัยที่กําลังน่ารักเนะี่ยโอ้ร้องให้กันดีเหลือเกิ น, นนะพ่อแม่นะยิ่งลูกที่กําลังเรียนหนังสือด้วยนะเรียนเก่งๆด้วยนะอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วนิสัยดีด้วยนะมีโยมคนหนึ่งที่แปลกเรื่องนะลูกชายเขาเรียนปวชปวชปีหนึ่งนะเออเรียนปวส แล้วเป็นคนไอเด็กคนนี้นะมันเป็นคนดีมากเลยขยันมันช่วยเหลือการงานพ่อแม่มันคือหมายความว่าพอนึกถึงเมื่อไหร่นะพ่อแม่ต้องภูมิใจที่มีลูกชายคนเนี้ยมีวันหนึ่งขับรถเครื่องไปชนกันแล้วตายโอ้ยแม่นี่ร้องให้จนร้องให้อยู่หลายวันด้วยกันนะนะแล้วก็โศกอยู่นานกว่าจะกว่าจะเลิกโศกเพราะมีลูกคนเดียวด้วยนะ ตอนตัวเองกับสามีก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันด้วยนะแต่ก็รักลูกเนี่ยมากเพราะฉะนั้นลูกตายนี่อย่าสามีเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดเลย <c oughs> ขอโทมนัดทุกอยู่แต่เพียงผู้เดียวนะแต่ว่าตอนลูกตายแรกๆนี่ก็โทมนัดอันอพวกพระที่ไปงานศพอันที่จริงก็น่าจะได้เปรียบไม่ใช่น้อยใช่ไหมไปเห็นคนปริเทวะให้ดูไม่ใช่น้อยนะปล่อยโฮกันบ่อย มันก็เปล่งเสียงร้องให้เศร้าโศกเสียใจยกันว่านั่นลูกของฉันนั่นพ่อของฉันนั่นแม่ของฉันเนี่ยนะก็ร้องให้ไปยังไงสอนร้องให้ไหมไม่ร้องเลยตอนพ่อเสียร้องให้ไหมไม่ร้องนะตอนแม่ไม่ถามหรอกแต่ถามพ่อก็พอ <c oughs> ที่ชื่อว่าปริเทวะเนี่ยนะความคร่าครวเพระอธ า, าวาเป็นเหตุให้สัตว์คร่าครวนถึงทิดาและบุตร น, นั้น บทละสองบทได้แก่คําว่ากิริยาที่ร้องให้กิริยาที่คร่ําครวญสภาพที่ร้องให้สภาพที่คร่ําครวญข้างหน้าจากบทเหล่านั้นก็เป็นการขยายความของคําว่าร้องให้กับคร่ําครวญเนี่ยร้องให้คร่ําครวญเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะคุณสุเจนตอนที่คนไข้ตายเนี่ยลูกหลานมาเฝ้าไข้เป็นยังไงอ๋อจะห้ามคนอ อไปอยู่ใกล้คนไข้อะ้พวกเจ้าโศกทั้งหลายหละไปอยู่ไกลๆนนกันไปอ๋อจะไม่ให้เข้ามาใกล้นะทำไมอ่ะอเพราะว่าเรากลัวว่าอารมณ์ใกล้ตายเขาจะเยนอ๋อโอ้พยาบาลทั้งใจด้วยนั้นเนี่ยกลัวเขาจะไปไม่ดีกันนะดีแล้วสาธุผา <c oughs> นพวกที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นๆตายๆเนี่ยนะก็ ถ้าคนนั้นเป็นญาติเราเนี่ยนะความทุกข์ทั้งหลายมันก็มีมากจริงๆนะถ้ามันถ้าเป็นจากไปเที่ยวไปอะไรมันก็เหมือนกับว่ามันยังมีหวังว่าจะเจอกันอีกใช่ไม้มแต่ถ้าตายเรียกว่าจากด้วยตายเนี่ยแมยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะชาติใดปางใดเนาะนแต่ถ้าไปเกิดเป็นงูแล้วมาเยี่ยมกันเลยนะว่าไงสายหนีป่ารับเลยนะบอกไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้นะไปที่ชอบที่ชอ บ, ชอบเจอแนั้น พวกนี้ก็ร้องไห้ถึงคนตายนะพูดพร่ำคำพูดส่วนใหญ่ของคนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายนะพูดแต่เรื่องเก่าๆพูดแล้วพูดอีกพร่ำอยู่นั่นแหละนะก็อย่างที่เคยกล่าวว่าไปงานศพอยู่ที่หนึ่งอนะนะแม่เขาก็อายุสักหกลูกชายเขาตายลูกชายก็อายุ4ี่ตายเนะีนะ่ยะแม่ก็มาร้องไห้อยู่นั่นแหละนะจนพระสุก่อนพระสวดก็ร้องไห้หยุดหน่อยตอนสวดพระสวดจบก็ร้องไห้ต่อเนี่ยนะ แล้วก็ได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันที่ที่ไปงานศพแล้วตอนไปเผาอีกก็ไปคล่ำครวนอยู่ข้างๆศพอีกนั่นแหละนะก็ร้องให้ก็ดูถ้าหากว่ามาละลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าน้ําตาของเธอที่ร้องให้เนี่ยนะเพราะพ่อตายแม่ตายลูกชายตายลูกสาวตายเนี่ยน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะแต่ละคนที่ที่เขาบางคนเขาร้องให้จริงๆเลยนะ เขาเขาเสียใจจริงๆเลยแหละแต่บางพวกที่ใจแข็งก็ออก็ธรรมดาไนงะพวกธรรมดาจริงๆก็มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่คนหรอกบางคนสลบเลยบางคนเป็นลมเลยนะนนยนยก็เ ร, เ, รรเราดูแลเป็นอย่างดีก็เลยไม่รู้สึกเสียใจอะไรเนะก็เหมือนอาจารย์แดงก็กว่างนะั้นไง จันแดงเขาก็บอกว่าก็ก็ธรรมดาเพราะทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วทั้งพอ่อทั้งแม่แต่วันจะเผานะดูกันหนากกึ๊บมาเลยมันสะอื่นเขาว่านันไงคุณธภ า, าก็าด้วยนัยย่นแหละอ่าพวกลาปะโปเนี่ยนะลาเออลาลาโปก็คือความพิไรร่ําการพูดซ้ำซ้ำซา ก, ซากพูดซ้ําพูดซากอยู่นั้นแหละะพวกนี้พร่ำพร่าครวนอยู่นั่นแหละนะแต่คุณธภามไม่มีเนาะตรงนี้ดีละ ได้แต่โสกก็พอแล้นี่เรียกว่าปริเทวะปริเทวะนั้นมีการพิลาบรำพันเป็นลักษณะเนี่ย น, นะพร่ำพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกนะก็อันนี้ถ้าเอาเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องตายแต่ถ้าเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้เสียหายแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนี่แหละพวกพวกนี้ก็ปริเทวะนะพวกนี้มีกันบ่อยใช่ไหม บางคนนี่บ่นจริงๆเลยนะของสิ่งเดียวแตกไปหน่อยเดียวเสียหายไปนิดเดียวบ่นอยู่นั่นแหละนึกเมื่อไหร่ก็นึกขึ้นมาบน่น ท, ทุกทีทุกทีทุกทีพวกนี้ก็บริวารของปริเทวะนะแต่จริงๆก็คือกลุ่มปริเทวะนั่นแหละใครเคยบ่นเรื่องของที่เสียหายไปไหมมันชูมีไหมอ๋อตอนนี้ค่อ ย, อย่างชั่วแล้วนะนะเมื่อก่อนนีนบ่อยนะน ะ, นะนะปกผู้หญิงเป็นเยอะผู้ชายก็เป็นไม่น้อย คือเขาบอกว่าอะไรเนะยพวกมีเมื่อวานนึงวันหนึ่งโยมเขาเขาซื้อรถไถรถไถแบบเดินลากไงนะไอ้ลูกชายของเขานี่มันเป็นยังวัยรุ่นอยู่ไงยเขาก็เลยเอาไอ้รถไถเนี่ยไปชนไปชนรัวบรัวมันดังครมขึ้นมาเลยนะพ่อเนี่ยเขาหวงแหนไอ้รถรถไอ้รถไถคันนี้มากเพราะว่ามันตั้งหลายหมื่นใช่ไงมชีวิตของเขาเนี่ยสะสมมาได้เนี่ย ตรียกว่าได้รถไถคำ น, นี้มาแล้วมันไปชนอ่ะนะโครมขึ้นมาเนี่ยนะแกขึ้นไปหยิบปืนมาเลยลูกชายมันวิ่งหนีไปรับเลยนะแล้วแกนัปคืนนั้นแกบ่นอยู่ทั้งคืนเอามาแทบไม่ได้หลับหรอกฟังแต่เสียงแกบ่นอ่ะนะเพราะมันอยู่ใกล้หมู่บ้านน่ะแกก็บ่นน่ะน่ะเสียงโวยวายเอะอะอยู่เกือบทั้งคืนอ่ะนะแกะเสียใจมากอ่ะนะ ยิงปืนมาเลยนะแต่วันหลังลูกก็กลับบ้านได้ตามเดิมเหมนะแต่ว่าต อ, อนบอกไหนมันไต่ทางไหน <c oughs> บ่นอยู่ทั้งคืนเนี่นะท่าท่าคือมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครอบครัวแต่ละครอบครัวนะถ้าผู้ชายบ่นนะผู้หญิงจะเงียบอันนี้สูตรเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าครอบครัวใดผู้หญิงบ่นนะผู้ชายจะเงียบมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งบางครอบครัวนี่ผู้ชายเนี่ยอุ้ยสุดยอดนักบ่นเลยนะผู้หญิงเงียบหมดอ่ะบางครอบครัวนี่ ผู้หญิงบ่นแทนหมดผู้ชายเงียบอย่างเดียวนะเพราะฟังอีกฝ่ายบ่นเต็มที่เลยนะแต่ตนเองจะพูดมันก็พูดเหมือนเหนกันนั่นแหละนะถ้าอยู่คนเดียวก็ได้แต่น้อยใจนะเจ้าก็ไม่ไม่บ่นหรอกแต่ว่าก็น้อยใจเก็บไว้นั่นแหละ